สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ต้อยต้อยเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาครอบครัวของ รกรากเป็นคนสุพรรณบุรีแท้ๆทั้งฝ่ายโยมพ่อโยมแม่ตัวพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านเดิมเนี่ยเป็นเสาไม้ไผ่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสาจริงเครื่องบนเป็นไม้ไผ่มุงแฝกมีหม้อข้าวหม้อแกง สัตว์พาหนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของครอบครัวท่านที่ท่านจํา 5 ตัวชื่อไอ้ยอดตัวนึงอีกกางอีเงินไอ้หนุ่มไอ้แหนทั้งหมด 5 ตัวแล้วก็เลี้ยง นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดมาโยมพ่อเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านเพื่อน ท่านบอกต้นไม้ที่มีลูกอาตมามาตอนยังเป็นเด็กน่ะโยมพ่อชอบปลูกว่าเอ้าอย่าไปห้ามเขาของกินได้ก็ให้เขากินไปในครอบครัวของอาตมา ผู้ยากจนไม่มีที่ทํากินก็แบ่งๆไม่ต้องเสียค่าช่างในครอบครัวของหลวงพ่อขอมเนี่ยใส่ พูดถึงโยมพ่อโยมแม่ใจดีว่ะครั้งนึงเมื่อตอนท่านยังเล็กๆเห็นโยมพ่อโยมแม่ตวงข้าวได้เงิน ท่าทางจะเซ่อๆเอาซะได้ซ้ําน่ะไม่ฉลาดน่ะตรงไปตรงมามรรคจะเสียเปรียบเค้าอยู่เรื่อยอ่ะแล้วก็กี้มรรคจะมีนิสัยเฉื่อยชาไปตามกันแต่ว่า เวลาหน้าฝนก็ต้องไปนาตั้งแต่เช้าครับต้องอาบน้ําล้างโคลนไม่ กลางคืนนี่ต้องให้โคลนนี่เป็นเสื้อเกราะกันมันอยู่อย่างงั้นแหละพอเช้ามืดจะไปนาก็ต้องเอามัน 3 ครั้งครั้งแรกนี่เค้าเรียกไถดะ ลำบากดินนี่ก้อนโตโตนะแล้วต่อมาก็ไถแปรคือซอยดินก้อนโตให้ย่อยเล็ก เสียงครอกน้ำพริกเนี่ยดังอย่างกับพระตีระฆังเวลาอ่าเค้าด้วยความ พวกไถนาก็ไปพวกหุงข้าวก็หาบข้าวไปส่งๆนะพอเห็นคนหาบข้าวมาแต่ไกลเนี่ยมันรู้ๆกับมันจะบอกว่าน้านั่งข้าวมาแล้วหยุดไปกินซะสิ มันก็เหนื่อยเพราะมันเต็มทนแล้วไถที่ควายลากเนี่ยนะเวลาไถกดลงไปในดิน 5 คนนี่มนุษย์ 5 คน 10 คนยังลําบากเลยแต่ควายตัวเดียวมันลากไหวที่ ควายตัวนึงต้องถูกตีไม่ต่ำ 100 ทีในเช้าถึงเที่ยงไม่งั้นก็ใช้เชือกที่ผูกกับสายสะพายเนี่ยหวด ดูมันไถจนตัวโก่งหอบตัวโยนน้ำลายฟูมปากก็ยังไม่ได้หยุดจะกินหญ้ากินน้ำก็บอกไม่ได้ถ้ากำลังไถ บางบ้านก็ไม่ดูแลถึงความอดอยากอะไรของอยากๆหอมจนซี่โครงขึ้นกว่าจับไปไถนาอยู่ หลวงพ่อท่านเล่าว่าอาตมาก่อนนี้เคยทุบเคยตีมันเออควายเอ้ยเวลา เราจะไม่ขอใช้เจ้าต่อไปจนตราบๆก็คนอ่าก็ นำไปถ้วยบะเลาะละลอกันเกลี้ยงกล้วยไปเลยพวกชาวนา ดูว่ามันเหนื่อยซะดังดาครมเกินแต่ฝับต้องทนไปเพราะเสียงหวดหวดมันหวดดินหัวทรายไม่เห็นใคร ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเสียงเฟี้ยบกว่าโอ้ยโอ้ยน่าสงสารจะป่าวอ่ะนะเค้าตีกระนำอยู่ มีใบสดเขียวชะอุ่มและสะพรั่งเวลาลมพัดนี่เป็นคลื่น แดงมันส่องมาโอ้โหมันวับแวบวับแวบอย่างกับสีรุ้งพอ ชาวนาเมื่อเห็นต้นข้าวเขียวชอุ่มเต็มทุ่งนี่ชาวนาก็พากันหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใส อ่าจำพวกชอบการพนันก็จับกลุ่มมันเป็นหมู่ๆโดนตำรวจจับได้ก็ถูกปราบคนละชั่ง 2 เออใน ชาวนาเลิกไถเลิกหว่านเป็นเวลาว่าง บางคนก็เข้าหาผักหาปลาทําเสบียงกลางไว้ พอถึงเดือน 11 12 เนี่ยน้ําหนองไปทั่วบ้านทั่วนาบางปี ถ้าหน้าน้ำก็เป็นเวลาหน้ากฐินพระป่าพออ่าเสียงกลอง เพราะอิ่มเอิบไม่อยากจะกินข้าวนึกว่าจะได้พบคู่รักอ่าจะเห็นกันก็เมื่อแต่งตัว ทีนี้ชาวนามันนานๆจะเห็นสวยๆสักทีจะได้ดูกันให้อิ่มตาอิ่มใจเพราะว่าในที่อย่างนั้นน่ะในจินดาแก้วแหวนเงินทองแพรวพราวไปหมดอ่าขี่เรือ สี่แจวนี้เป็นเรือลำฆ่าเป็นเรือสง่าที่สุดน่ะบ้านไหนฉันน่ะเศรษฐีตําบลนี้นะนะแม่ค้าขายขนมก็ร้อง จำพวกข้าวห่อก็โยนให้กันอยู่กวักไวไม่มีใครถือใครเวลานั้นน่ะจำพวกเรือแข่งก็พรึบโย่พรึบโย่ขนานกันไปอ่าสมัยเออพระในวัดเนี่ยทนดู เรือแข่งศีกาเห็นเรือแข่งพระเหมือนเห็นเรือขนมอ่ะอ่าร้องท้าแข่งให้เสียงลั่นเออสนุกสนานๆเนี่ยเห็นๆที่วัดบาง อยู่ 3-40 คนน่ะอ่าเขาว่าพระเอาออกมาแข่งเมื่อปีที่อาตมา วกไปวนไปตามคุ้งแควต่างๆโยงไป พูดถึงวันสนุกคืนเปลงอย่างนั้นน่ะอาตมาเวลานั้นมีคู่รักอ่ะเค้าคนนึงเหมือนกันน่ะรูปร่างหน้าตาอ่าเอ่อเล่าไปก็นึกถึงเค้าแต่ ตัณหาเอ้ยทำไมถึงทำให้มนุษย์ พอถึงเวลาลาบใหญ่ไพศาลน้องชาวนานี่พอแสงทองท่องอ่าฟ้าแล้วเห็นรวงทองเหลืองอารามแล้วอ่าชาวนาก็พากันชื่นชมยินดีอ่ะชาวเราเอ้ยปีนี้ข้าวในนาของพวกเรานี่จะ เขาจะอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเนาะพ่อแม่ของชาวนานี่นะก็พากันหุงหาอาหารเสร็จ ไอ้ก็นึกถึงจนอนไม่หลับมหาลาภที่ว่าก็คือวันเกี่ยวข้าวก็นึก บางครั้งก็เล่นเพลงเต้นกรรมรำร้องบางครั้งก็พนันขัน ใครจะอดทนเท่าชาวนาไม่มี พ่อค้าก็ควรจะผ่อนผันเรื่องการค้าการๆเดินไปตามตลาดบ่อยๆนี่เห็นชาวนาเออสงสารชาว เค้าก็บอกงั้นเค้าบอกถ้าคนอื่นฉันไม่ขายให้นะฉันขายคนอื่นได้กําไรมากกว่านี้ชาวนาก็ 2 3 10 บาทจด 20 50 100 นึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้น่าสงสารชาวนาเหลือ ชาวนาแบบนี้น่าสงสารในข่มชาวนาคนเนี้ย 20 ปีก็ พออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แม่ก็ส่งเข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ของพระพุทธเจ้าได้เข้ามา ไม่เพราะในขอมได้บวดเป็นพระใหม่ๆนั้นคงจะไม่พบพระพุทธศาสนาได้เลยเพราะในข้อมได้บวชเป็นพระใหม่ๆทีนี้ก็เป็นพระภิกษุข้อมแล้วนั้นเหมือนเด็กแดงๆ ภิกษุขอมจะผิดชอบชั่วดียังไงก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อบวชใหม่ๆก็ อาศัยพระอุปัชฌาย์แนะนำสั่งสอนเป็นประจำพระอาจารย์ก็ บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความศรัทธาก็มีมากขึ้น รู้จักสอดส่องมองเห็นพระธรรมความเชื่อก็มั่น ให้รู้ได้ด้วยตัวเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะดีจริงๆไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงชายพระเหลืองของพระพุทธเจ้า อาตมาก็ดีใจเหลือเกินต่อไปจะไม่เจอศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกับ ความรู้น่ะรู้ได้ว่าพระธรรมมีคุณพระธรรมดีก็ ไอ้ตัวมนุษย์นี่มันเกิดมาจากตัณหามันเป็นตัณหาทั้งตัว ไม่มีวันซิล่ะที่มันจะออกไปง่ายๆยิ่งปู่ตุชนคนหนาด้วยแล้วอย่าไปไล่มันๆสมัยนี้อ่าเมื่อตอนจะ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 ผู้ที่มาบวชเป็นพระไม่ว่าเก่าว่าใหม่นี่เจ้าตัณหามันคอยขยันกยอบอกให้เอาเข้าไปเอาเข้าไปจะไปอยู่เฉยเออคอยอ่าเดี๋ยวนิมนต์ไปสวดมนต์ 150 บางที 200 เดี๋ยวสังฆทานเดี๋ยวผ้าป่าเดี๋ยวกฐินเดี๋ยวสละกภัตเดี๋ยวเทศเดี๋ยวนั่งแจงเดี๋ยว บางองค์เวลาตายพวกศิษย์คนตามกุฏิได้เงินเป็นแสน พระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายอ่า 3 จำพวกข้างต้นนั่นแหละนอกนั้นที่เป็นปุถุชนแล้วเค้าไม่คิดจะเอาชนะตัณหาอ่าฝ่ายที่ หลวงพ่อขอมท่านเล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านบวชใหม่ๆยังไม่รู้วิชาต่อสู้ตัณหาท่านมันเล่นเอาเรามัน บอกให้กินอ่ากินเข้าไปเราก็ฉันสะท้องกลางเลยอ่ามีดกระป๋องโต๊ะนาฬิกาตู้จั่วซื้อทุกอย่างมัน มันบอกให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะมันบอกให้ร้องไห้ก็ร้องไห้บอกให้เราเจ็บไข้ได้ทุกข์ สติก็ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาทั้งพละกําลังก็มีมากมีทั้งกําลังศรัทธาๆก็เห็น สู้พลางถอยพลางดิทีนี้สู้กันไปสู้กันจริงๆแล้วมันไม่เท่าไหร่ไอ้เราก็ลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราก็จะ เจ้าตัณหานี่มันก็เก่งไม่เลวเหมือนกันเราก็สู้ไม่คิดชนะไอ้ฝ่าย หลวงพ่อขอมก็ไม่ประมาทหรอกคอยตั้งท่าตั้งตาคอยตีว่างั้นไปเป็นคฤหัสถ์สงสาร ดูสิต้องหาเลี้ยงชีพป่วยก็ร้องตีด่าฆ่าแกล้งกันก็มี เรื่องโกหกตอแหลกินเหล้าเรื่องแก่เจ็บตายแล้วเราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัณหานี่ อยู่ทั่วไปหมดตอนนั้นหลวงพ่อขอม เพราะว่าเราเห็นว่าถ้าไม่มีวัดศาสนาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะ แต่ละท่านก็ล้วนจะเป็นพระอรหันต์นี่จะมีวัดหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องของท่านๆได้เนี่ยเพราะพระอรหันต์หมดไปแต ศาสนาของพระพุทธองค์ก็คงจะหมดไปซะนานแล้วพระบางองค์ท่าน ปฏิบัติบูชานี่เป็นทางนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงติ การสร้างวัดวาอารามหรือว่าสร้างถาวรในพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันแสดงปฐมเทศนาแล้วก็นิพพานที่ไหนก็ทําให้ นามกับรูปมันก็พรากกันไม่ได้ วัดนึงมีพระ 2 3 องค์เดือนนึงพระจะลงโบสถ์สัก 2 ครั้งสร้างให้นกให้กามันวาแต่ว่า แล้วไม่ให้น้อยหน้าศาสนาอื่นๆชาวพุทธทั้งหลายก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าโบสของศาสนาอื่นเนี่ยเค้าใหญ่โตแค่ไหนโบสของชาวพุทธก็ถูกศาสนาอื่นๆเค้าติว่าโบสศาสนาพุทธ ถึงประสงค์จะทํากิจในโบสถ์หรือไม่ได้ทําก็ตามก็ๆของ มีพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสําฤทธิ์หน้าตัก 5 วา 1 คือทองหนัก 50 ตันเป็นพระหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปปั้นอีกองค์นึงหน้าตักเส้นเศษเป็น 63 วา 1 คือกว้าง 44 วา 2 อีก องค์พระยาว 2 เส้นเศษซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายมหายานเขาสร้าง ตัวอาตมาเองเวลาเนี้ยมีความสุขสบาย ก็มีสมบัติอยู่ 2 อย่างเท่านั้นหลวงพ่อขอมบาตรกับจีวรได้คล่องไม่ต้องพะรุงพะรังใครบวชเป็นพระไม่โลภไม่เป็นสุข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 เมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีเงินและ 5 เราต้อง เราบวชเป็นพระก็เราอยู่ดีๆเจ้าตัณหามันก็เข้ามาคยุ้มเราชาวบ้านบางครอบครัวเห็นเราทําไม่เอนั่นจะมา บางครั้งนี่มีศีกาแต่งตัวงดงามมาอยู่ในกุฏิมาทํา เราเห็นท่าไม่ได้การเราก็ลุกหนีออกประตูเราเราเราเรา 60 พรรษานับเรา 60 พรรษา เรเราก็สร้างวัดจริงๆแล้วเราใจเราก็นึกไปด้วยว่าเราจะก่อสร้างมันจะได้ลืมตัณหาเพราะว่า บางครั้งสงสัยว่าศีกาเค้าจะสงสารน่ะ 14 หลังอ่าๆไม่ใช่ยอด มีสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาที่นิพพานจำลองมาจากอินเดียมีสตางค์น้อย แล้วก็ปั้นพระพุทธองค์พระโมคคัลลาปสารีบุตรพระพุทธบิดาพระราหุลพระนางพิมพาสร้าง อ่าปั้นเทวทูต 4 ตนคนแก่คนเจ็บคนตายแหละสมณะปั้นเจ้าชายสิทธัตถะตัด ปั้นรูปกับบิลลยักษ์ยิงสุวรรณ 3 รูปจูโชครูปนางอมิตตดาอ่าหล่อพระกำแพงวาอ่าด้วยทองสําฤทธิ์นะแล้วก็กระถางรูปแหละหล่อพระธรรมจักร 4 ช่วยกัน แล้วก็มีวิหารตัดเป็นที่ประทับพระพุทธองค์และพระสาวกสร้างวิหารเรียง 2 หลัง 2 หลังไว้สร้างกุฏิพระพุทธเจ้าบนยอดเขากิจจกูฏแล้วก็มีวิหารหัวหนุมานวิหารหัวสิงห์วิหารตรีมก สร้างที่เผากระดาษจีน 3 แห่งอ่าแล้วก็สร้างโรงแบบจีน 2 หลังสร้างศาลา 27 วาสร้างโรงเรียน 2 หลังสร้างตึกอ่าครึ่ง 10 ห้องมีโรง 20 หลังมีที่เผาศพมีศาลาปลอก สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างพระๆประมาณ 10,000 ต้นขุดสระใหญ่กว้างยาว นกตะกรุมมังอีแร้งมังพากันจิกหนามงิ้วก็ๆนานาเว้า ไอ้โรงวัวนี้สกปรกอุจาดในที่สาธารณะปั่นไม้นุ่งผ้าไม่ควรคล้ายๆก็จะประจานเออมันน่าเกลียด เปรตวัดไผ่เป็นแต่เอาปูนปั้นยืนเฉยๆจะเปรตในมุ้งน่ะไม่มีเนี่ยถ้าทํานุ่ง ที่ในมนุษย์คนเดียวไผ่โรงวัวมันมากมายๆรูปนึงเท่านั้นบาทลูกๆบาท 2 สร้างศีลใหญ่เป็นศีลเป็นอันเลยแล้วยิ่งถ้า มันไม่น่าจะเป็นวัดเป็นวาหรอกวัดตั้งอยู่กลางทุ่งนานึกดูก็น่าเอื่อมละอา อ่าตอนนั้นกลัวผีกลัวนานๆก็จะมีหมาหอน น่าร้อนก็ร้อนหลือขนาดต้องหลบอยู่ใต้ถุนเวลาแรงจัดจัดน้ำก็ไม่มีต้องไปตากน้ำฝีไกลเกือบ 4 Give N Media กูติก็โครง圈เกรย์ปรับรุงข perceive เอาลงมุ conservative แฟกมาเป็นที่ทำบุญกันก่อนเชาบ้านทำบุญกะดิน ถ้าปีถ้าปีไหนแห้งแร้งข้าวตายหมดน้ำดีปีงามชาวนาได้ข้าว ก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งกาแฟเครื่องดื่มไม่ต้องพูดถึงอ่ะถ้า เราก็พยายามมุมานะเข้าปลูกปล่ำเอามาเป็นวัดคืนจมูกคี รถชาติก็นับวันจะจะซาลงๆเจ้าคนเออหน้าผ่าก็ย่นบนหัวก็เม็ดพุพองคันๆไปทั้งๆตามผิว มือเทิงก็ชาจะลุกจะนั่งก็งงๆเสๆตัวก็ชักจะงอไปข้างหน้าตัวก็ชักหดเล็กลวงกําลังก็หมดทรงตัวไม่ค่อยไหวเออ ทำไมทายนี่มันก็ลำบากกายลำบากใจๆๆลมก็ในโอ้น่าสมเพชๆมันก็มานะโรคหืดโรคเออรวมความแล้ว เพราะฉะนั้นคิดแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ผิดอะไรไปกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เขาเป็น คือของขลังของพระเนี่ยนะถ้าถามว่ามันขลังจริงอ่าก็ให้นึกถึงเสียงไอ้ง่าว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 คน 2 จำพวกนี่ก็โต้เถียงกันมาเป็นพันๆปีตั้งแต่ครั้งดึกดำบันจะๆน่ะเหมือนอ่ะคนขายก็เออได้มาจาก ผ้าประเจียดลงยันตะกรุดพิสมรพระเหรียญ ถ้าทหารรบชนะรบได้พระไปก็กล้ากล้าไม่กลัวตายรบชนะอย่างเช่นพณเรศวนน่ะเอาพระๆก็ใช้พระ เดี๋ยวที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ใช้พระของขลังไปเกือบทั่วทั้งประเทศเลย ไม่เข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นน่ะชั้นสวรรค์น่ะเข้าได้เพราะว่าถ้าภูใดได้เครื่อง แต่ก็ดูว่าจะกล่าวอวดอ้างมากเกินไปจนเกินบริเหตุหรือเปล่าก็เอาแต่พอหล่อเลี้ยงน้ําใจคนให้สบาย ไม่รู้จะหาเงินได้ด้วยวิธีไหนอ่ะวัดเพราะว่าต่อไปภายหน้าถ้าวัดไม่มีนี่ศาสนา ครั้งอรหันต์นี่จะมีที่อยู่หรือไม่มีที่อยู่ ก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านที่เป็นสาวกของพระ Čeo leo in